ตอนที่หปัญหาที่10ถามลักษณะศรัทธาข้าแต่พระนาคเสนศรัทธามีลักษณะอย่างไรมหาราชศรัทธามีความผ่องใสเป็นลักษณะและมีการเล่นไปเป็นลักษณะขอถวายพระพรศรัทธามีความผ่องใสข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า